เพราะเหตุนั้นพระจันทกุมารเมื่อใจยังพระราชบิดาให้ทรงทราบจึงทูลว่าขอเดชะเหตุไรในการก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พราหมณ์กล่าวคําเป็นสวัสดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายมาบัดนี้จะรับสั่งให้ข้าข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต้องการบูชายันโดยหาเหตุมิได้เลยข้าแต่พระราชบิดาเมื่อก่อนในเวลาที่ข้าพระองค์ยังเป็นเด็ก พระองค์ไม่ได้ทรงข้าและไม่ได้ทรงสั่งให้ข้าบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงความเจริญไหวเป็นหนุ่มแน่นแล้วมิได้คิดประทุษร้ายพระองค์เลยเพราะเหตุไรจึงรับสั่งให้ข้าเสียข้าแต่พระมหาราชาพอพระองค์จงทอดพระเนตรข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ขึ้นคอช้างขี่หลังมื้อผูกสอดเครื่องรบในเวลาที่รบมาแล้ว หรือเมื่อกําลังรบก็บุตรทั้งหลายเช่นดังฆ่าพระองค์ทั้งหลายย่อมไม่ควรจะฆ่าเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเลยข่าแต่พระราชบิดาเมื่อเมืองชายแดนหรือเมื่อพวกจนในดงกําเริบเขาย่อมใช้คนเช่นดังฆ่าพระองค์ทั้งหลายแต่ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกฆ่าให้ตายโดยมิใช่เหตุในสถานที่ที่ไม่ควรขอเดชะ แม่นกเหล่าใดๆเมื่อทำรังแล้วย่อมอยู่ลูกทั้งหลายเป็นที่รักของแม่นกเหล่านั้นส่วนพระองค์ได้ตรัสสั่งให้ฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเพราะเหตุใรขอเดชะอย่าได้ทรงเชื่อกันดาหาละปุโรหิตกันดาหาละปุโรหิตไม่ใช่พึงฆ่าฆ่าพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเขาฆ่าฆ่าพระองค์แล้วก็จะพึงฆ่าแม่พระองค์ในลาดับต่อไป ข้าแต่พระมหาราชาพระราชาทั้งหลายย่อมพระราชทานบ้านอันประเสริฐนิคมอันประเสริฐแม้โภคะแก่พราหมณ์นั้นอันหนึ่งพวกพราหมณแม้ได้ข้าวน้ำอันเลิศในตระกูลบริโภคในตระกูลยังปรารถนาจะประทุษร้ายต่อผู้ให้ข้าวน้ำเช่นนั้นแม้เหล่านั้นอีกเพราะพราหมณ์เหล่านั้นโดยมากเป็นคนอกตันยูขอเดชะ พระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันฑาหาละปุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นทาสของกันดะหาละปุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลช้างให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดะหาละปุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจาด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะขนมูลมาให้เขาพอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาละปุโรหิตตามที่พระองค์มีพระราชประสงค์เถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกขับไล่จากเว่นแคว้นก็จะเที่ยวพิก ข, ขาจารย์เลี้ยงชีวิต บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในการก่อนปุเพ ค, ความว่าข้าแต่พระบิดาถ้าข้าพระองค์เป็นบุตรอันพระองค์พึงข้าสายเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรเล่าในการก่อนคือในการที่ข้าพระองค์เกิดแล้วชนผู้เป็นญาติของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้ให้พรามทั้งหลายกล่าวคำเป็นสวัสดีมงคลได้สดับมาว่า ในการนั้นกันดหาละพรามเองได้ตรวจตราลักษณะทั้งหลายของข้าพระองค์แล้วได้ทำนายว่าภัยอันมาในระหว่างใดๆจะไม่มีแก่พระราชกุมารองค์นี้ในการเป็นที่สุดของพระองค์พระราชกุมารองนี้จกยังรัตให้เป็นไปจะได้ครองราชคำหลังของกันดาหาลพรามฟังไม่สมกับคำต้นพรามคนนี้เป็นคนกล่าวเท็จ แต่บัดนี้พระองค์ทรงถือเอาคําของกันดหาละพรามจากฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเพื่อบูชายันโดยหาเหตุอันควรไม่ได้เลยคือโดยมิใช่เหตุข่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์อยา่าฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเลยก็กันดหาละพรามคนนี้แลเป็นผู้ปรารถนจาจะฆ่าชนหมู่ใหญ่เพราะความเป็นเวรในข่าพระองค์คนเดียว ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมนรชนขอพระองค์จงกำหนดให้ดีคำว่าเมื่อก่อนในเวลาที่ข่าพระองค์อบเพวะโนความว่าจันทกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาถ้าแม้พระองค์ทรงใครจะฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเพราะเหตุไรในการก่อนคือในการที่ค่าพระองค์ทั้งหลายยังเยาว์วัย พระองค์จึงไม่ได้ฆ่าเองหรือให้ผู้อื่นฆ่าซึ่งข่าพระองค์ทั้งหลายแต่มาบัดนี้ข่าพระองค์ทั้งหลายเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มตั้งอยู่ในปฐมมวัยเจริญพร้อมด้วยบุตรและธิดาทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ข่าพระองค์เกิดมานีไ้ได้คิดปองร้ายต่อพระองค์เลยพระองค์จักฆ่าข่าพระองค์ทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่า คำว่าขอจงทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ทั้งหลายปัตสโนความว่าขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูซึ่งข้าพระองค์ทั้งพี่น้องชายอีกสี่คนคำว่าเมื่อกําลังรบยุต ช, ชะมานีความว่าในเวลาที่ศัตรูทั้งหลายล้อมพระนครแล้วตั้งอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรดู ซึ่งพระราชบุตรทั้งหลายเช่นข้าพระองค์รบอยู่กับข้าศึกเหล่านั้นก็พระราชาทั้งหลายผู้ไร้พระราชบุตรย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งคำว่าเช่นดังข้าพระองค์ทั้งหลายมาทิษาความว่าพระราชบุตรทั้งหลายดังเช่นพวกข้าพระองค์กล้าหาญมีกำลังจึงไม่เป็นบุคคลที่ควรค่าเพื่อบูชายัน คำว่าย่อมใช้นิโยชันติความว่าท่านย่อมใช้เพื่อประโยชน์ในอันจับกลุ่มปัจจามิตรทั้งหลายเหล่านั้นคำว่าอัฏโนส่วนข่าพระองค์ทั้งหลายแก้เป็นอัฏอัมเหคำว่าโดยมิใช่เหตุอาัการณสมาได้แก่เพราะเหตุอันไม่สมควร คำว่าในสถานที่ที่ไม่ควรอะภูมิยังได้แก่ในโอกาสอันไม่สมควรเลยอธิบายว่าสเสด็จพ่อเพราะเหตุไรพวกข้าพระองค์จึงถูกฆ่าข้อว่าอย่าได้ทรงเชื่อกันดหาละปุโรหิตมาตัด ส, สัททะเหสิความว่าข่าแต่มหาราช กันดาหาละพรามไม่ควรให้ค่าข้าพระองค์เพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าทรงเชื่อกันดาหาลพรามเลยคำว่าแม้โพคะแก่พรามนั้นโพคังปิดสะได้แก่พระราชาทั้งหลายย่อมพระราชทานแม้โพคะแก่พรามนั้นคำว่าแม้ได้ข้าวน้ำอันเลิศอัตถคะปินดิกาปิได้แก่ ก็พรามเหล่านั้นเมื่อได้ซึ่งน้ำอันเลิศก้อนข้าวอันเลิศจึงชื่อว่าได้ข้าวน้ำอันเลิศคาว่าแม้เหล่านั้นอีกเตสังปิความว่าพวกเขาบริโภคในตระกูลของคนเหล่าใดพวกเขายังต้องการจะทำร้ายคนผู้ให้ซึ่งก้อนข้าวเห็นปานี้แม้เหล่านั้นอีก พระราชาครั้นทรงสดับคำพร่ำกล่าวของกุมาร น, นั้นจึงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายพร่ำเพ้ออยู่เพราะรักชีวิตย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแกเรานักแลพวกท่านจงปล่อยพระกุมารทั้งหลายไปณบัดนี้เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายันพระราชาครั้นทรงกล่าวคาถานี้แล้วก็โปรดให้ปล่อยกุมารทั้งหลายแม้อีก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 อนหนึ่งชนเหล่าใดอนุโมทนามหายันเช่นนี้ของบุคคลผู้บูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุขติครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ให้จับพระราชกุมาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งลำดับนั้นพระกุมาเพื่อย้อนรอยคำพูดของกันดาหาละพราหม์จึงทูลว่าข้าแต่พระราชาถ้าชนทั้งหลายบูชายันด้วยบุตรทั้งหลาย จุติจากโลกนี้แล้วย่อมไปส e <fundo> ู่เทวโลกดังได้ยินมาไซพรามจงบูชายันก่อนพระองค์จักทรงบูชายันในภายหลังถ้าชนทั้งหลายบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมาไซกันฑาหาละพรามผู้นี้แหลจงบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายของตนถ้าว่ากันฑหาลพรามรู้อยู่อย่างนี้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 รามโนตาวะได้แก่กันฑหาลพรามจงบูชายันก่อนคําว่าของตนสเกหิได้แก่จงบูชาด้วยบุตรทั้งหลายของตนลําดับนั้นพระจันท ก, กุมารเมื่อจะแสดงให้ทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเมื่อกันดาฮาลพรามนั้นบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายของตนอย่างนี้แล้วไปสู่เทวโลก พระองค์จึงจักทรงบูชายันภายหลังแม้โพชนะมีรสอร่อยพระองค์จะเสวยต่อเมื่อคนอื่นได้ลองชิมแล้วแต่นี้เป็นความตายของบุตรทีเดียวเหตุไรพระองค์จึงไม่โปรดให้คนอื่นทดลองก่อนแล้วจึงทรงกระทำเล่าจึงกราบทูลเช่นนั้นคำว่ารู้อยู่อย่างนี้เอวังชานัง ความว่ากันดหาละพราหม์เมื่อรู้อย่างนี้ว่าคนทั้งหลายฆ่าบุตรและิดาแล้วไปสู่เทวโลกเพราะเหตุไรกันฑหาละพราหม์จึงไม่ฆ่าบุตรทั้งหลายและพวกญาติของตนและตนเองเล่าถ้าบุคคลใดรู้คุณแห่งการบูชายัญอย่างนี้ว่าถ้าฆ่าผู้อื่นแล้วย่อมไปสู่เทวโลกถ้าฆ่าตนเองแล้วจะได้ไปถึงพรหมโลก ดังนี้ไซก็ไม่พึงฆ่าคนอื่นพึงฆ่าตนเองนั้นแหลแต่กันดาหาลพรามคนนี้ไม่กระทำอย่างนั้นกลับใจยังพระองค์ให้ฆ่าฆ่าพระองค์ข่าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงทราบซึ่งการกระทำของกันดาหาลพรามแม้ด้วยเหตุนี้ข่าแต่มหาราชกันดาหาลพรามนี้ เมื่อกงลูกในการตัดสินคดีไม่ได้เขาจึงกระทำดังนี้คำว่าเช่นนี้เอธิสังได้แก่ยันที่ค้าบุตรเห็นปานนี้พระราชกุมารเมื่อทูลความมีประมาณเท่านี้ก็ไม่อาจจะกระทำให้พระราชบิดาทรงเชื่อถือถ้อยคำของพระองค์จึงตรัสปรารพบราชบริษัทที่โฮมล้อมพระราชาอยู่นั้นว่าได้ยินว่า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 พ่อเจ้าเรือนก็ชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาบุตรคำว่าไม่ทูนทัดทานนะอุปวะทันติได้แก่ไม่เข้าไปกล่าวโทษคือไม่ว่ากล่าวคำว่าผู้เกิดแต่พระองค์อัตระชังได้แก่เกิดจากตนแม้เมื่อจันทกุมารกล่าวอย่างนี้ ใครใครชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่อจะทูลกับพระราชาไม่ได้มีเลยข้อว่าใครๆรผู้มีความแค้นเคืองกับเราไม่พึงมีณนะโกจิอัตสะปะติคังมายาความว่าใครๆแม้เพียงคนเดียวชื่อว่ากระทาความแค้นเคืองกับเราว่าพระราชกุมาลองค์นี้รับสินบนของเรา หรือว่าก่อทุกข์ชื่อนี้ให้แก่เราเพราะความเมาด้วยความเป็นใหญ่ดังนี้มิได้มีเลยข้อว่าชาวชนบทไม่ช่วยกราบทูลให้ทรงทราบเลยชนะปะโทนปะปเวเทติความว่าชาวชนบทไม่ช่วยกันประกาศคือกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า เราเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์ของพระราชาและของชาวชนบทด้วยประการชนิดทำไมชาวชนบทนี้จึงไม่กราบทูลพระราชบิดาของเราให้ทรงทราบว่าพระราชบุตรของพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมแม้เมื่อพระจันท ก, กุมารตรัสอย่างนี้แล้วใครๆไม่ได้พูดอะไรเลย เพราะเหตุนั้นพระกุมารเมื่อจะส่งพระชายาของพระองค์เจร้อยนางให้ไปเพื่อวิงวอนจึงตรัสว่าแน่แม่เจ้าเรือนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดาและวิงวอนกันดาหาละพราหมณ์ว่าขอจงอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสีแน่แม่เจ้าเรือนทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดาและวิงวอนกัรดหาละพรามว่าขอจงอย่าฆ่าพระราชกุ ม, มารทั้งหลายผู้เป็นที่หวังของโลกทั้งปวงแม่เจ้าเรือนเหล่านั้นไปกราบทูลวิงวอนแล้วพระราชาไม่ทอดพระเนตรดูเลยเพราะฉะนั้นพระราชปุ ม, มารไร้ที่พึ่งแล้วจึงพร่ำเพรอกล่าวคาถาว่า ไณนห้นอเราพึงเกิดในตระกูลนายช่างรถในตระกูลปุกะกุสะหรือพึงเกิดในหมู่พ่อค้าพระราชาก็จะไม่พึงรับสั่งให้ข้าเราในการบูชายันวันนี้ครั้นกล่าวดังนี้แล้วพระกุมารเมื่อจะส่งพระชายาทั้งหลายไปอีกครั้งหนึ่งจึงตรัสว่าเจ้าผู้มีความคิดแม้ทั้งปวงจงไปหมอบลงแทบเท้า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 ปามิความว่าพวกเจ้าจงเรียนว่าข้าแต่อาจารย์กันดหาห์ละข้าพเจ้าไม่ได้เห็นความผิดของตนเลยคําว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอะไรต่อท่านกินเตพันเตความว่าพวกเจ้าจงเรียนว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้ากันดหาห์ละพวกเราได้ประทุษร้ายอะไรแก่ท่าน ก็ถ้าพระจันทกุมารมีโทษไซสยขอท่านจงอดโทษนั้นเถิดลำดับนั้นพระกนิษฐะคินีของพระจันทกุมารทรงพระนามว่าเซลากุมารีเมื่อไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้ก็หมอบลงแทบบาดทะมูลของพระราชบิดาแล้วคร่ำครวญพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า พระเสลาราชกุมารีผู้น่าสงสารทรงเห็นพระพาดาทั้งหลายอันเขานำมาเพื่อบูชายันทรงคร่อมครวญว่าดังได้สดับมาพระราชบิดาของเราทรงปรารถนาสวรรค์รับสั่งให้ตั้งยันขึ้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอันเขานำมาอุปนีตเตได้แก่ มีสภาวะอันเขานำมาเพื่อบูชายันคำว่ารับสั่งให้ตั้งยันขึ้นอุคิปิโตความว่าพระราชบิดารับสั่งให้ยกขึ้นตั้งไว้คือให้เป็นไปอยู่ด้วยคำว่าทรงปรารถนาสวรรค์สักขะกาเมนะนี้พระเสลาราชกุมารีคร่ำครวญอยู่ว่า ราชบิดาข้าพี่ชายทั้งหลายของเราราถนาสวรรค์พระองค์จักข้าพี่ชายเหล่านี้แล้วไปสวรรค์หรือ